เสร็จแล้วก็อยู่อย่างไงแหละทำจนตายตรงนั้นถ้ามันแหมความชื่นใจกับตัวเลขที่มันมีจากตรงนั้นเนี่ยแหมความสุขมากนะถ้นตัวเลขมันขาดไปหน่อยหนึ่งแล้วขายเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งเดือดร้อนมากเลยนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสรุปว่าตายคาตรงนั้น嘛งั้นเถอะอันนี้ข้อแรก น, น, นโทษเอาไหมแหมสิ่งที่เราแบบสแสวงหาก็จุติจนถึงตรงนั้นถ้าจุติตรงนั้นอะไปไหนดีมีสิ่งที่เราเรียกว่าชํานาญที่สุดเป็นอารมณ์เลยนะ ไปไหนดีสมมตเอาอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้พูดเฉพาะอาชีพเดียวนะแม้กระทั่งทํานาเนี่ยนะอย่างโยมเนี่ยชวนเขาบอกไปฟังธรรมเถอะขาบอกไม่มีใครทำนาเขางั้นถ้าเจอนาฝนแรงเขานี่เงียบเลยนะปีนี้เลยมาฟังธรรมถึงกรุงเทพเลยมาไกลมา ก, ามากฟังธรรมเลยบอกอยู่วัดฟังธรรมเธอปีนี้ทงางราษาบอกไม่ได้ไม่ไ ด, ไมไดไม้มีใครทํานาเหมือนันแ้วใครจะทําเลี้ยงเหมือนกันทจริงเขาไปครับฝนมันแรงเข้าทําทำตั้งนาเยอะแยะเลยได้ข้าวนิดเดียว ว่าไหนเขาฝนมาแรงอะ่ะเชื่อแล้วถ้าอยู่วัดได้บุญทั้งสามสเดือนไม่เอาทําันมาทาบุญดุลไว้ใช้ชาตินาบางเถอะอายุปานนี้แล้วนะสมบัติในโลกนี้มันของโลกไม่เห็นมีของใครเลย ป, ป, ปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ทําตายทิ้งไว้ให้หมดอย่างนี้เลยลูกของลูกของลูกของลูกก็ทําทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้มันก็ไม่ใช่ของใครอะ่นะก็ก็ให้รู้ว่าที่สุดของสิ่งเหล่าเนี้ยมันคืออะไรอัน น, นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น, น้าแล้ว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 อะไรก็ไม่ทมําแม้แต่นิดเดียวเสร็จแล้วตาก็เสียคนอื่นก็เป็นภาระอีกใช่ไหมแล้วในที่สุดก็โยนภาระไปให้คนอื่นคนอื่นก็หมั่นไส่มากเขา ร, ารําค้าญจริงๆเลยนะกลายเป็นว่าโยนภาระไปให้คนอื่นเขาเพาะะนันจะต้องระวังเรียกว่าแวทล้อไม่ดีว่าหนึ่งเป็นภาระแก่เขาไหมเป็นภาระต่อคนอื่นไหมเนี่ยนะทำหน้าที่ของตัวเองหลายๆอย่างอย่าลืมว่ามงคลมีสาสิบแปดข้อนะไอ้ที่เราทํานี่มันอัปมงคลอยู่กี่ข้อก็เช็กดูให้มันให้มันได้มงคลทั้งสาสิบแปดข้อเพราะ การศึกษาการปฏิบัติธรรมมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะเรียกว่ามองไกลจนเรียกว่าเดินสะดุดล้มไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไรแล้วมัวแต่มองแง่น้าดูไกลไกลเลยนะก็เหมือนกับการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกับการใช้รถใช้ถนนนี่แหละมองแต่ไกลยอย่างเดียวก็ชนมองแต่ใกล้อย่างเดียวก็หลงทางเนะี่ยหาความพอดีให้มันพบแต่ว่ามันควรจะแค่ไหนแค่ว่างั้นไม่ใช่ว่าโอ้แต่ไออะไรนะ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 ประโยชน์โลกหนะ้าให้ตัวเองตําหนิตนไม่ได้ผู้รู้วิญยูชนทั้งหลายปราดทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ตําหนิตัวเองเนี่ยนะก็คือว่าให้ตนก็ติตนไม่ได้ผู้อื่นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ตําหนิไม่ได้เนี่ยนะก็เอาให้มันเครีะว่ารู้จักคาว่าพอดีก็แล้วกันบอกพอดีแค่ไหนบอกเคยปรุงอาหารที่มันต้องแบบใช้เครื่องเทศเยอะๆไหมน้ําปลาควรจะเติมเท่าไหร่พริกควรจะใส่เท่าไหร่เครื่องเทศทั้งหลายควรจะใส่เท่าไหร่ให้มันรสอร่อยนะั่นแหละคือพอดี เพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาความพอดีให้พบดังที่กล่าวไปเนี่ยนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยถึงกับเรียกว่าศึกษาธรรมะจนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่สนใจในครอบครัวไปเลยอันนั้นก็มากไปหรือไม่คนที่สนใจแต่ครอบครัวแต่ก็ไม่ศึกษาธรรมะอะไรเลยมันก็เกินไปเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวทวนอีกครั้งย้ําอีกทีว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็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 ข้างเดียวส่วนคนที่มีตาสองข้างก็คือได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกต่อ ต, อ, ตอไปนะเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขนั่นเองนี่อ่ะข้อแรกก่อนนะทำจนตายคาที่คา ง, งานข้อที่สองดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าเมื่อบกุกกลบบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นไม่สำเร็จผลทำแล้วก็เจ๊งเหมือนนเะน่ทแล้วก็ขาดทุนยับเยินไปหมดเลยเนี่ยนะ เขาก็ย่อมเศร้าโศกลําบากลาพันธีอกคร่ําครวญถึงความหลงเหลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะนอทํานาก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวว่างั้นเถะเป็นต้นเนี่ยทำนาก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวค้าขายก็แม้หมดทุนเลยวังนั้นเถอะเอาจนม้อยเหลือไม่มีเรียกว่าทุนยังไม่เหลือนะเรียกว่าทําอะไรจนหมดตัววังนั้นเถะเป็นโมฆะศูนย์เปล่าไปเปล่าๆทาแล้วศูนย์เปล่าหมดเนื้อหมดตัวเป็นต้นเนี่ยก็ ก็มาบ่นว่าโอ้ชีที่เราทําเนี่ยมันโมฆะหนอะฟาวเนอะไม่มีประโยชน์หนอะนั่นนะศูนย์เปล่าเนอะความพยายามของเราไม่มีผลหนอะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกาลเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกาลเป็นตั ว, ตวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายเคาเรียกว่าบริหารจนเจ๊งม่างั้นนะะเจงจนไม่รู้จะเจงยังไงแล้วเอาจนหมดตัวจริงๆเลยแหละเหลือแต่ชีวิตกระลมหายใจรอวัน ดูการพิสษุทั้งหลายอย่างที่3อีกดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบดนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสําเร็จผลออ้ทําจนประสบความสําเร็จมากเลยนะกลับทุกสเสวยทุกโทมนัสที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเรียกว่าหาจนประสบความสําเร็จพอสําเร็จแล้วดูแลแล้วกันนี่ใช่ตอนแรกก็หาให้มันได้ก่อนพอมันได้แล้วก็ลําบากในเรื่องการ ดูแลยมหลายท่านก็เล่าว่าไอ้หานี่มันก็ยากอยู่แล้วรักษายากกว่าเยอะเพราะนั้นนะก็ต้องมีคอยดูแลเนี่ยนะบังคับว่าทําอย่างไรพระราชาไม่ยิบเอาไปเนี่ยนะยิง่งพระราชาโบราณก็ริบเลยนะถ้าหากว่าผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือโจรปล้นไม่ได้ไฟไม่ไห ม, ไม้น้ําไม่พัดไปหรือทายาตอั ป, ปรีไม่พึงเอาไปผลานเกลี้ยงเนี่ยนะเรียกว่าลูกหลาน ท, ที่เรียกว่าเกิดมาผลานสกุลเหมือนกันเถอะเรียกว่าเกิดมาแค่เอาไปผลานหมด เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วรักษาสําเร็จไหมบอกไม่พระราชาทั้งหลายก็ริบโผคะเหล่านั้นเอาไปก็ถูกยึดซัพย์เลยนะในที่สุดก็ทรัพย์ถูกยึดหมดโจรก็มาปล้นเอาไปถูกคมคูและคู่รีดเอาไปไฟก็ไหม้เสียก็สังเกตดูนะเวลาคนที่สแสวงหาอะไรมาได้แล้วไฟไหม้เลยนะี่เป็นยังไงแม้บันร้องให้เลยนะ แล้วก็น้ําก็พัดเอาไปยามน้ําท่วมเนี่ยนะทรัพย์สินเสียหายเนี่ยโอ้โหมันทุกข์กันจริงๆสรุปว่าประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างปีนี้เนี่ยนะตายเกือบพันนะใชบาทเจ็บไปหมื่นกว่าสอง 0,000 ื่นนี่ถามว่าศูญเสียเป็นคนเนี่ยจำนวนทรัพยากรคนก็ร่วม23 0,000 ืนมมนเนี่ยนะเสียใจไปเท่าไหร่แล้วเสียทรัพย์ไปกี่แสนล้านเนี่ยนะ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 ในที่สุดก็ถูกล้างถูกพลานเกลี้ยงเขาก็ย่อมเศร้าโศกลาบาดลำพันธีอกหน้าคร่าครวญถึงความหลงเลือนว่าสิ่งใดเล่าเคยเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ของเราแล้วว่างั้นเถอะแต่ก็ยังคิดว่าของเราอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วเคยมีเรียกว่าความทุกข์ของคนเคยมี บัตรนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกขที่เห็นกันอยู่มีการมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเขามีกรรมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นดูความพิสูจ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเขามีการมเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายแม้กว่าจะได้รูปสวยเสียงเพราะกปลี่นหอมเพื่อสุขสมมัสนิดนิดหน่อยห่อยเนี่ยนะแต่แม้โทษอย่างอื่นอีกแม้พระราชาก็วิวาทกันกับ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 ได้เวีทะเลาะกันแล้คนวิวาทกันไม่เคยปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขรอกคิดว่ายังไรอีกฝ่ายหนึ่งจะตายได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียทรัพย์สินได้อย่างไรอีกสายหนึ่งจะสูญเสียถูกหลอกถูกคดถูกโกงเป็นต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทะเลาะกันก็แกงแย่งกันวิวาทกันในที่นั้นทําร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้าง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 ฝูงชนก็ต่างถือดาบและโล่สอดแรล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายลูกศรก็ยิงกันไปตอนนี้บอกขี่ปนามุสแล้วว่นะนะไม่ใช่ลูกศรธรรมดาแล้วเนี่ยนะแบบขี่ปนามุสแบบระบบกดป่มหมดแล้วเนี่ยนะหอกทั้งหลายก็พุ่งไปนะดาบทั้งหลายก็พุ่งไปบอกนั่นสมัยก่อนสมัยนี้ฝนดาบฝนระเบิดโอโ้ยฝนเนี่ยมันตกมาเหมือนหาฝนเนี่ยนะเพิบตกมาระเบิดตุ้มๆเนี่ยนะ บ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยก็สมัยคนอายุสมัย ส, ยสงครามโลกครั้งที่สามเ่ยอ้ครั้งที่สองกันะแม้หลบกันหน้าดูเลยนะหลบไปอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยระเบิดตกท่วมไปหมดเลยนะมาหลบไปพึ่งวัดบ้างหลบไปพึ่งที่ตรงนั้นบ้างที่ตรงนี้บ้างเล น, นะหรือเหมือนกับตอนนี้อิรักเนี่ยก็กําลังเดือดร้อนทุกโทษทะเลาะ ก, กันนั้นก็สึกชิงกามนั่นแหละเนี่ยนะสึกชิงวัตถุกามที่ว่าชิงน้ามันชิงอะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปว่าชิงรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว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 ดูความพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกรารเป็นเหตุมีกรารเป็นต้นเขามีกรารเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเห็นแห่งกรารทั้งหลายฝูงชนถือดาบและโล่สอดเร่งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบทาด้วยเปลือกต้มร้อนเครียกว่ารบกันค่าเรียกว่าค่าศึกประชิดเมืองเนี่ยนะค่าสึกประชิดเมือ ง, นะ ก, องก็ลูกศอนก็พลูเข้าไปห อ, อกก็พุ่งกันไปดาบก็กวัดแกงกันไปเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นก็ถูกลูกศอนเสียบบ้างถูกหอกแทงบ้าง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 แล้วก็ตายตรงนั้นบ้างทุกบางตายตรงนั้นบ้างบุก่อนพิสูจทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นโดยก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับนะเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นแหลฟูงชนตับที่ต่อบ้างอันนี้ก็คือหมายถาว่าอะไรนะ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 บางทีก็ขัดมันมักเอากระดูกมาขัดมันเรียกว่าคอดสั้งนะคอดสังก็กระดูกขัดมันเนี่ยเอาอะไรนะแปลงลวนมาขัดขัดบางทีก็ปากราวหูเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอากันกลายเนี่ยตัดกระพุพ้งแก้มเนี่ยตัดเข้าไปตัดเข้าไปนะบางทีก็เขาเรียกว่าพุ่มเพลิงก็หมายถึงว่าราดน้ำมันจุดไฟเผาหัดหัดถโชปะโ ช, โชตาก็คือเอามือเนี่ยมามาัดกับไฟแล้วก็จุดไฟเผานุ่งหนังช้างก็คือนุ่งหนังถลกหนังให้นุ่งอ่ะนะนุ่งสารายก็คือ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 เสียบหลาทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะบ้างตายตรงนั้นบ้างเกลือปางตายตรงนั้นบ้างดูกรพิสูจทั้งหลายอันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีการมเป็นเหตุมีกรมเป็นต้นเขามีการมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเห็นแห่งกรมทั้งหลายทั้งนั้นหรือบางทีดูกรพิสูจทั้งหลายอันสุดท้าย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 เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยไปเหาไปฮอนเป็นเป็นแรลงเป็นปลวกตกนรกหมกไหมถูกเผาย่างเป็นย่างตายเป็นต้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้แม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายที่ในสัำปรายจพบก่อนหน้านี้เป็นทุกในปัจจุบันใชชาติต่อต่อไปพบต่อต่อไปก็ทุกเพราะมีการมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเข้ามีการมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นนั่นแหล สุขส ม, มนัติเรียกว่ามันอร่อยน้อยทุกมากการทั้งหลายนี่อร่อยน้อยแต่ทุกมากทุกขของกามนี่หาประมาณไม่ได้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็อะไรเป็นนิสรณะณการถ่ายถอนกามทั้งหลายเล่าดูความพิสูจนทั้งหลายการกําจัดฉันทราคะในกามเรียกว่าตัดฉันทราคะด้วยอริยมรรคในวัตถุกามทั้งหลายหรือ ด, ด้วยอนาคามีมรรคเนี่ยนะกำจัดฉันทราคะด้วยอนาคามีมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์การละฉันทราคะ ด้วยอริยมัคคือด้วยอนาคามิมัคมีนิพพานเป็นอารมณ์ในการทั้งหลายนี้เป็นนิสระการถ่ายถอนกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกามวิสัยแห่งกามพ้นจากความเพลิดเพลินในรูปเสียงเกลี่ยนรสโพภธภะทั้งหลายได้สูงสุดจริงก็นุน่นอนาคามิมัคดูกรที่สูทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งนักบวชทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่รู้ชัดอัดสาธของกาม โดยเป็นอัสาธาอาทีนวะของกามโดยความเป็นอาทีนวะนิสนาการถ่ายถอนกามโดยความเป็นการถ่ายถอนอัสาธาของกลามคือสมุทัยสัจจะอาทีนวะโทษของกลามเป็นทุกขสัจจะการสลัดตัดออกตัดฉั้นราคะในการเป็นมัคสัจจะและนิโรสัจจะผู้ที่ไม่รู้เห็นอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริง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 ดยความพิสูุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีวิชาคือรู้ชัดรู้ชัดด้วยปัญญาเนี่ยนะด้วยอนาคามิมักเป็นต้นรู้ชัดซึ่งอัศสทสะของกามโดยเป็นอัศทะอาทีนวะของกลามโดยความเป็นอาทีนวะนิสรณการถ่ายถอนกลามโดยการเป็นการถ่ายถอนนิสรณ ะ, ะตามความเป็นจริงพระอริยเจ้าเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละจักรรอบรู้กามทั้งหลายได้ด้วย ตนเองเนี่ยนะนะรู้ด้วยพระพุทธเจ้ารู้ด้วยสัพพัญยูเนี่ยนะนะหรือจักชักจูงแนะนำชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักทำปริญญารอบรู้ในการทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ก็เท่ากับว่าปฏิเสธนอกาศาสนาที่จะรู้อริยสัจใน วัตถุกามทั้งหลายแต่ในพระพุทธศาสนาก็ปฏิบัติตรัสรู้อริยศัสตร์ท่านท่าจะรู้เรื่องโลกของกามก็อย่างลงโดยอริยศาสตร์ว่าอสสาธ่าความอร่อยหวานชื่นของวัตถุกามอย่างไรพิษภัยทุกโทษของวัตถุกามทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปการถ่ายถอนการสลัด น, นะด้วยข้อปฏิบัติเหล่าใดและต้องรู้ธรรมะอันใดจึงจะ ทายถอนกามได้อย่างแท้จริงจะต้องรู้ถึงระดับไหนจึงจะพ้นวิสัยของกามทั้งหลายได้จริงเนี่ยนะมันก็ในช่วงเชาานี้ก็ขอบุญกุศลที่ได้ฟังเหล่านี้เนี่ยนะจงเป็นปัจจัยให้เป็นผู้รอบรู้ในกามโดยอัสะท้าอาธีนวะนิสรณนาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ตามพระพุทธเจ้าโดยท่วถึง